ธรรมชาดกแผ่นที่9าลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่3 0ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าทาบุญแข่งกับพระราชา ขันประดีวมมีเครื่องจยาเอาไปนะเอาไปมันก็ไปถิ่มมาชื่อๆหอกมมีเครื่องพาอปันพาได้หวีเนะี่ยเขาใจว่าพาได้หวีไม่ชี้ขึ้นกันเนะ่เอาได้หวีมาถวายหวีไม่ชีไม่ชี้มสเสียดขึ้กันเนะพาเหตุดไดมผมมันเลยอันนี้คือกันเนะ่ให้เอมพีสไปแล้วไม่มีเครื่องฟังกับมดท่านนะเอาไปางไับิทิ้งมาเฉยๆแล้วกันเทศ ที่อยู่ข้างในเขาก็มีนักมีเล่มเล็กๆ ก, ก็พร้อมกันก็มีคูบาสามองค์ที่ท่านพูดใน MP3 สไม่เหมือนตะกอดในตะกอ่อนพอเทศแล้วก็พูดไปเลยแต่คูบาเสนอมาหลวงพอ่อเห็นด้วยพวกพวกที่ฟังก็ไม่ต้องคน้นคว้าเทศวันที่เท่าไหร่โอกาสใ้เทศ ก็เราจะย้อนกลับมาอีกเออเทศวันที่เท่านี้หลวงพ่อเทศน่าสนใจภาคปฏิบัติก็จะได้จดไว้แผนที่เท่านี้กันที่เท่านี้ อ, อ่าหลวงพ่อเทศเรื่องกิจภาวนาน่าศึกษาหรือใครชอบนิทานเออนิทานหลวงเทศกันที่เท่านี้วันที่เท่านี้หลวงพ่อพูดเรื่องนิทานชาดกเบื้องนิทานน่าสนใจก็จะจดไว้นะ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 เกิดกันไหนที่หลงตาเทศหลวงพ่อจะนำมาฟังมาฟังจนเข้าใจฟังจนขึ้นใจในการฟังแต่ทุกวันในฟังดูแล้วก็ยังยังจาได้ว่าสมัยโลงตาเทศเมื่อไรตรงไหนที่ได้ผ่านผ่านมาและยังอัดอีกต่างหากท่านองค์กมวัทีนักชาวท่านอยากจะได้เ p3 มีสาหลวงพ่ออัดเป็นเทปเข้าไป สิบเอดหรือสิบสองกล่องอกล่องสสบสองกล่องกล่องหนึ่งมันก็สิบตลับสบตลับบางตลับก็เทศคนละ ก, กันกันบางทีก็ในตลับหนึ่งเทศกันเดียวก็มีเพราะว่าเทศลุงถาเทศยาวนะบางทีชั่วโมงกว่าก็มีตาเทศแต่หลวงพ่อโดยมากจกเทศจะพูดไม่ยาว พ่อเห็นเวลาพูดพูดไปแล้วก็เหลือบตาดูสักครั้งสองครั้งเห็นคนกระดุกกระดิกจะแสดงว่าใจมันออกแล้วหลวงพ่อก็หาทางลงแล้วถ้าปีนขึ้นต้นตไม้เหมือนกันต้องหาวิธีลงแล้วหลวงพ่อจะไม่พูดยาวเท่านั้นเทศของหลวงพ่อยนะี่สิบนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างเว้นเสียจะภาคปฏิบัติถ้าภาคปฏิบัติจิตภาวนาแล้วก็ถ้าไม่จบโดสมันหรือว่าไม่จบเรื่องราว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 ฝนตกใหม่อีกต่างหากแต่น้ํามันเยอะปลาก็ยังไม่มีเระมันอยู่ในกลางหมู่บ้านกลางสนามแต่มันน้ามันขังพอวันฝนตกใหม่ปลูกปลาปโอ้เห็นน้ําปุูกปลบมาจะเวียงแหเลยไม่ได้นะ เ, เพอเพอไปเจอที่ขี่ม้าก็ขี้หมูไปเจอน้ําอีกต่างหากผลที่สุดล้างแหายากอีกต่างหากไม่คุ้มค่าในการหว่านมันต้องมีปลาซะก่อน นี้กูเหมือนกันการที่จะพูดสิ่งไหนตรงไหนอย่างไรเราก็ต้องมองดูแต่คนพอใจไหมทุกคนไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันถ้าให้คนพอใจทุกคนซะก่อนจึงจะเทศจึงจะแสดงธรรมหรือจึงจะพูดเกิดและตายแต่แล้วเกิดเกิดและตายพระพุทธเจ้าคงไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกเหาือนนั้นถ้าคนพอใจซะก่อนธรรมดากิเลสมันก็ต้องต่อต้านต่อต้านธรรม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 ประชาชนทาเอาเต็มที่พวกเราวันปลุ่งขึ้นมาพญาปิศิษฐ์ทาอีกเต็มที่อีกเหนือกว่าประชาชนแข่งกันไปแข่งกันมาผลที่สุดพญาปิศิษฐ์ล้าเพราะจะสู้ประชาชนไม่ได้ประชาชนมันมากกว่าใช่แนวความคิดก็มากหลากหลายกว่าพระเจ้าปิศิษฐ์มีแต่อำนาจบุญวัสนาบุญหนักสักใหญ่ จะแพ้ประชาชนไม่ได้โอ้โหผล่เนือสุดไปพระเจ้าปเสนเอามือกายหน้าผากแลว้วนั่นโอ้โหจะเอาอยัางไงสู้ประชาชนไม่ได้ประชาชนเขาเหนือกว่าแลหละทต่ทางนางบรลิกาอักรามเหสีบอกเอ้ยพระองค์จะไปยอมแพ้ได้อย่างไงพระองค์มีบุญวาสนาบารมีเอ า, เอาบุญวาสนาบารมีอำนาจวาสนาที่เขามาช่วยข้านี่เอา้าจะทำยังไงเอา้า ประชาชนเขาไม่มีช้างถึงห้าร้อเชือกหรอกอเพราะองค์มีช้างถึงห้ารอยเชือกไอช้างแนวหน้าช้างรบช้างเข้าสู่สงครามเอามาเลยให้ถือสเสวตชัดพระสง5 0ห้าร้อยองค์เอามา ก, กั้นชัดให้พระฉันจังหันนี่จะรู้หลาโออาคาศิกขนาดไหนอว่นนีนางมัลลิกาพูดพระเจ้าปเสนโอชาชายชาย เอ่่ลรดมช้างเข้ามาทีนีให้ถือฉัดถือล่มใหญ่กั้นช้างก็หมอบแล้วก็จับกลมแล้วก็ตั้งอาถนะตรงหน้าช้างพระเจ้าประเสนกับถวายพระทหารพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์อีกถึงโอ้โหโหรูราโอ อ, อลาลังการขนาดไหนแล้วกันเต้นที่นี่ประชาชนโอ้ยอมแพ้เพราะเราไม่มีช้างถึงขนาดนี้ยอมแพ้ อพระเจ้าปเป็นเสียนกัดนั่นแหะภาคภูมิใจอย่างมากเพราะงั้นเธอได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงค์ห้าร้อยรูปนะแล้วก็ยังมี เ, เรื่องแขวนพระเอกนะว่าบ อ, องค์สุดท้ายคือคืออองค์คริมาลบวชมาท่านได้สําเร็จเป็นพระทหารแล้วนะแต่เป็นพระทหารแล้วท่านบวชองค์สุดท้ายทีนี้ไม่มีช้างไม่พอเอช้างไม่พอ ได้499ตัวได้เองตัวที่500หาที่ไหนก็ไม่เจอเอาที่ไหนตัางขุนศึกอมมาตก็บอกว่ามียัวช้างอยู่ในอยู่ในกรงนั่นนะแต่เป็นช้างที่ดูร้ายนะเอ่อแต่บางทีมันก็ฟังฟังคำคนแต่บางครั้งมันก็ดือ้อไม่ยอมฟังใครเลยตัวนี้ช้างสังสงครามเวลาเกิดศึกสงครามแะ้วกันน่ปล่อยช้างตอนนี้เราไป เป็นช้างนักเลงโตนมันไม่กลัวใครเลยตับบันเล ย, ยงั้นอะช้างตัวนี้แต่จะเอามาใช้งานระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วเอาเสียงเงิน<อ>มีทั้ง499องแล้วจึงขาดอยู่ตัวเดียวมันดูว่ามันขาดที่หนา้าเากันไปไปเอาา้องเขาก็เลยเข้าไปเอาช้างตัวนั้นมาช้างที่ตัวที่มันดุร้ายอยู่ในกรง พ อ, อมาจะในช้างตัวนั้นโอ้โหมันน่ารักมากเลยทําดีกว่าตัวอื่นๆอีกต่างหา ก, กว่า ง, งั้นเถอะยกฉัดขึ้นมาแล้วโอ้โหอ่อนน้อมถ่อมตัวคนทั้งหลายไม่ได้มองใครแต่มองแต่ช้างตัวนั้นแล้วไนเถอะโอ้โหทำไมช้างเอวช้างตัวที่วันรุ่นทําไมมันเรียบร้อยถึงขนาดนี้วะนี่แหละอันนี้ก็คือมาในปไตยปิฎกอย่างนั้นเขาก็ถามท่านองค์ุลิมานท่านครัวไหมปะ พระที่มีปุตตชนก็มีนะพระปุตตชนก็มีเหมือนกับทุกวันเนะี่ยพระปุตตชนพระราหารนะ่ยมนะีองคุลิมานท่านกลัวไหมที่ท่านเขาว่าช้างตัว น, นั้นดุนะที่มากั้นชัดให้ท่านองคุลิมานบอกว่าคําว่ากล้าก็ดีกลัวก็ดีไม่มีในผมท่านบานนะ่ะกล้าก็ดีกลัวก็ดีไม่มีในผมเออแสดงว่าองคุลิมานอวดอุตตริมนุษยธรรมน่ะเลยนะเออขาว่าคำว่ากล้า ก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเขาก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชายองคุริมานลูกของเราเนี่ยคําว่ากล้าก็ดีกลัวก็ไม่มีในไม่มีในใจของเขาแล้วเพราะเขาหมดแล้วหมดความกล้าความกลัวแล้ว อ, อหมดทุกอย่างในใจของเขาใจของเขาบริสุทธิ์แล้วเนี่ยจึงเรียนรู้ยอมรับโอองคุริมานเป็นพระอรหันต์อีกองหนึ่งพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วเนี่ยนี่แหละจะได้มาพูดถึง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 มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุกทำบุญทำทานแต่พอพระพุทธเจ้าฉันพัะทหารเสร็จแล้วพระพุทธองค์เดินลงจากอาสนะเลยเดินลงจากธรรมาทเลยเดินลงจากบรรลังที่พระเยาว์ปฏเส้นที่จัดถวายพอเดินลงไปพระองค์ไม่ให้พรก็คะไไม่ไม่ให้พรไม่อนนโมทนาให้พรเดินลงไปเฉย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 ทำไมพระพุทธเจ้าพร้อมข้าพระสงฆ์ไม่อนุโมทนาให้พรไม่ฉลองเฉลิมเลยโอ้วันนี้นับว่ า, เ, าเป็นวันดีมหาโมพิษกับพร้อมคณะบริวารได้ทาบุญบุญกุศลนี่ต้องมากมายมหาสันทั้งที่พระองค์จะแสดงอั้โมทน า, ายกย่องเฉิดชูหรือว่าแสดงความาตามความเป็นจริงว่าบุญกุศลที่ทำข่าวนี่คืออะไรพระองค์เดินออกจากธรร ม, มาต นั่นเลยในท่ามกลางประชาชนประชาชนทั้งหลายกเขาต่างคนก็นต่างเงียบเลยทีนี้ไม่มีใครถามหือ ไ, ไปถามเหยถามพระพุทธเจ้าใช่ไหมนะพอเสร็จมากัพระองค์กลับมาวัดวัดป่าเชิดตะวันมหาวิหารพระเจ้าประเสียนเนี่ยก็โภมใจอยู่แต่ก็น้อยใจพอพพระพุทธเจ้าไม่อนุโมทนาให้พรใช่จากนั้นพอตกตอนเย็นพระเจ้าประเสียนก็นเลย เข้ามากราบพระพุทธเจ้าแบบเป็นส่วนตัวน ะ, เ, ะเข้ามากข้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าคนทั้งหลายก็สงสัยข้าพระองค์เองเอ ง, เอ ง, เองกเอ็เต็มใจสงสัยว่าทำไมพระพองค์ไม่อนุโมทนาให้พรพระพุธองค์ลืมหรื อ, อยังไงลืมให้พรหรื อ, อยังไงหรือว่ามีอะไรหนอที่ทําให้พระทธองค์ขัดเคืองพระทยัยทําให้พระองค์ไม่สบาย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 อ, อมัดใหญ่ของพระเจ้าปเสนเนี่ยสีสะจะแตกเป็นเจ็ดภาคเพราะนั้นอาตมา เ, เราตถาคตพร้อมที่จะเมตตากรุณาในอมัดที่เขาจะศีษะจะแตกคือว่าเส้นเลือดจะแตกนะเพราะมันความไม่พอใจอย่างมากเหมือนนเลความโมโหโกธาอย่างมากในใจของอมัดที่การทําบุญ ที่เห็นพระพุทธเจ้าฉันในบันลังกับพร้อมขปสงตั้ง500องค์เขาไม่พอใจอย่างมากเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงอนุโมทนาให้เขาเขาก็ยิ่งไม่พอใจขึ้นมาอีกศีรษะของเทาจิตแตกเป็นเจ็ดภาคในเดียวนะแต่ฐาคตมองเห็นแล้วแต่ฐาคตจึงไม่อนุโมทนาไม่พูดอะไรขอมหาบุพพิสัสบายใจได้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 เพราะนั้นเราเห็นในมีพระกรุณามีกรุณาต่อเขาจึงไม่แดงธรรมเขามีความเห็นอย่างไรพระเจ้าขาดพระเจ้าเปิดเสียงกันลุกแล้วนพระองค์บอกว่าอํมมาที่สองคนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยคนที่มีศรัทธาเขาบอกโอ้โหทำไมพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยทำได้อลังการถึงขนาดนี้แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับ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 อถ้าราคาเนี่ยเป็นพระเจ้าไป่ดินอย่างพระเจ้าประเสนเนี่ยข้าจะทําให้มากกว่า น, นี้ในความคิดแต่เทนี้อัมมาศไม่มีศรัทธาที่คนเทนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหพระเจ้าปเสนเนี่ยทำไมโง่นนะักบอลงโง่จริงๆริงทำไมจึงเอาทรัพย์สมบัติไปเลี้ยงสัมณะศีรษะโล้นที่ไม่นอนอยู่ในปา่ามาแล้วก็มาทําให้อลังการญจงขนาดนี้ทําไมพระเจ้าปรเสนโอ้โห น่าจะเอาเงินจนํานวนนี้ไปเลี้ยงไพรพลพทโยธาให้เข้มแข็งจัดตรอาวุธให้เข้มแข็งปกป้องประเทศชาติให้เข้มแข็งประชาชนอยู่เรียนเป็นสุขทวนหนากันอันนี้เอามาปนปื้อสมณะออ500องค์อวดแขกบ้านแขกเมืองแอกอวดชาวบ้านชาวเมืองเขาเล่นเงินจํานวนนี้มาจากไหนมาจากพี่น้องประชาชนทําไมโงนะ่นัก มีแต่ว่าโง่นักกว่างั้นเถอะเอ่ออมัดคนนี้นะแต่นี้ พ, พระพุทธองค์ก็มองเห็นแหละมองเห็นอมัดคนนี้เออใครท่านว่ไม่พอใจอยากมากต่อพระเจ้าประเจนถ้าพระุทธองค์แสดงธรรมเข้าไปอนี่ยสมณะเอ่ อ, มม อ, อขึ้นมายกย่องเออพระเจ้าปเสนโง ด, ด้วยกันนั่นแหละ อ, อ, อย่าว่ายอย่างนั้นไปอีกเถอนี่ยจะประมาณพระพุทธเจ้าอย่างแรงอีกทถนี่ยพระพุทธองค์เห็นความครูณาท่านก็ไม่แสดงธรรม ในเมื่อแสดงจแดงพระองค์ก็เดินออกมาพระเจ้าประเจรต์มาถามจากนั้นพระองค์ก็พระเจ้าประเสรต์พอทราบข่าวทั้งสองคนเอยทราบข่าวพระองค์พระเจ้าประเสรต์ก็เรียกประชุมเลยพบองค์ประชุมทางเสนาอามาตย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งหมดมาก็เรียกมาประชุมพร้อมกันพร้อมหนักพระเจ้าประเสรต์ก็ถามเลยท่านอามาตยท่านถามอามาตที่มีศรัทธาเนี่ย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 กับคนที่มีความคิดไม่ดีมันก็ต้องพูดอุบัตบอบธรรมดาใช่ไหมล่ะพระเจ้าประเสนท่านคิดอย่างนี้อย่างนี้นี่ใช่ไหมคิดอย่างนี้ น, นี่ใช่ไหมเพราะได้รับคําจากพระพุทธเจ้ามาแล้วอามาต์คนนั้นก็ยอมรับว่าได้คิดอย่างนี้จริงพระเจ้าปเสนก็บอกว่าไม่ใช่สมบัติของท่านนะเป็นสมบัติของขัาของเราเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองในแผ่นดินเราได้รับมร ด, ดกมาจากบรรพบุรุษ บรรพบุรุษเป็นผู้ให้มาเราก็ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษด้วยแต่สำหรับเราเงินเดือนของเราเราก็ให้พวกท่านผมบำเหน็จบำนานอะไรเราก็ไม่ได้ขาดตกบกข อ, ข, อของหรือใครที่ว่าเราทำให้เป็นธรรมมีไหมพระเจ้าปเสนเก็ถามผลที่ถูกเลยไม่มีใครที่จะไม่พอใจใช่ไหการบริหารจัดการพระเจ้าเสียงอ้า แสดงว่าขืนอยู่ไปก็มีแต่ความหายชนะเพราะความเห็นไม่ตรงกันเอาปดออกจากตําแหน่งไปไล่ออกไปจะออกไปต่างประเทศเนี่ยก็เลยปดออกจากตำแหน่งแล้วก็คงจะไล่ออกจากกรุงสวรรค์ถีเนี่ย่ะไล่จากเมืองไทยกันนู่นแหละไปอยู่ในประเทศไหนรอบร้านไปไปอยู่ต่างประเทศไปความคิดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ถ้าขืนคิดอย่างนี้ออกไปเนี่ย บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นหวายแน่นอนก็เลยยกอาํามัดที่มีความเห็นมีศรัทธานั้นขึ้นเป็นอํามัดใหญ่ต่อไปนี่แหละสรุปแล้วก็คือในครั้งพระพระทุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูไม่ใช่ว่าจะท่านจะแสดงธรรมแล้วจะเป็นที่พออกพอใจกับทุกคู่ทุกคนจะก่อนท่านถึงจะแสดงธรรมไม่ใช่ในคนที่ต่อต้านก็ไม่ใช่ธรรมดาอีกเหมือนกัน อันนี้ยกเป็นตัวอย่างเพียงหน่อยเดียวนะ่ะอย่างพวกเดลฤทธิ์นิโครนอีกต่างหากมานะคนนั้นหลวงพ่ออินเองหือหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันไปสถานาที่ใดบางทีหลวงพ่อพูดขึ้นมาก็มีคนมาพูดต้อนพูดคล้ายๆรบกวนเสียงหลวงพ่อพูดอย่างนั้นบางทีหลวงพ่อตะหวาดอีกเหมือนกันเฮ้ยอย่ามาพูดแถวนี้ท่านรู้ไหมว่าแถวนี้ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ฟังธรรมการสถานที่รู้จักไหม ท่านไม่รู้จักถึงการสถานที่อย่างนั้นใช่ไหมฮะมาพูดทําไมแถวนี้ฮะหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อจะอายเขาไม่อายนะซัดเลยให้คนทั้งหลายได้เห็นเลยว่าเนี่ยโง่มากแย่มากไม่รู้จักกาลเทศะอีกต่างหากาสถานที่ยังไงควรจะทํำยังไงไอรว่าทิฐิมานะของตัวเองออกมาแล้วก็ปล่อยออกมาหลวงพ่อฟันเลยนะเออหลวงพ่อก็ไม่กลัวใครเหมือนกันในจุดนั้นนะ่ะ ถ้าพอจะลงธรรมาต้องพ่อก็หลงเป็นไรไปอย่างลงตามาหาบวญท่านไปเทศที่วัดอโศกการามท่านบอกว่าเวลาเราจะแสดงธรรมนะให้ปิดลำโพงซะก่อนทุกลำโพงต้องปิดซะก่อนถ้าจะให้เราเทศนะพอกำลังจะขึ้นไปลำโพงละเอารถอยู่ที่นั่นติดที่นั่นไปบอกเลอ อย่าจะส่งเสียงเงียบซะก่อนเอพอท่านอื่ยังไม่ฟังเออแปลว่าไม่สูบโอกาสที่เราจะแสดงที่เราจะเทศให้ฟังจบเท่านี้ก่อนนะท่านทูเจ้าจะกจะพูดก็พูดทุกเจ้าจะกจะทำอะไรก็ทำแต่เรื่องแสดงธรรมเราจะไม่แสดงธรรมต่อบุคคลที่ไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความนับถือไม่ให้ความ เชื่อฟังเราจะไม่แสดงธรรมจุดท่านก็ลงจากธรรมมาตรเลยอจากนั้นคนทั้งหลายกับปนามมันพูดอย่างไงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพอลุงตามหาบัวจะขึ้นแสดงธรรมเท่านั้นนะวิ่งไปบอกโคศกใหญ่เตี้ยตายลุงตามหาบัวไม่เทศนะเออจากนั้นก็เลยเป็นประเพณีนิออโด่งดังมาเลยนะเออ อย่างที่เจ้าคุณธรรมะเจดีวัดโพธิสมพรก็เหมือนกันเอานิมนต์อาจารย์มหมาบัวมาเทศเอ่แต่เวลาเจ้าคุณธรรมะเจดีพูดไปเรื่อยในพวกเคีเ้ยวหมากตะบันหมากตะตาเมาจตะบัหมากกองไขของเราเอ่ทัานเขี้ยวหมากว่าเดี๋ยวต่ำบันหมากไอ้ทุนที่เคี้ยวกับเคี้ยวมีแต่ผวกเคียวหมากเคี้ยวหมากทั้งหมดใช่ไหมลนะ่ะนั่งฟังเทศเจนิบท์เวลาอาจารย์มหมาบัวมาไะนะ อย่าไปทําอะไรนะอย่าไปคุยกันนะอย่าไปตําตำบัตรหมากนะให้นั่งเ ง, งียบๆฟังนะไอ้เจ้าคุณธรรมะใจดีสอนเหมืองกันนะบอกลูกศิษย์ตัวเองแต่ท่านแต่ของท่านเนี่ยท่านใจดีด้วยไอ้พวกอยู่ในเมืองอุดรเนี่ยเข้ามาแต่ตำบันหมากกับตาใครตามเราทั้งเคี่ยวทั้งทงคุยกันไปด้วยใครจะคุยอะไรไอ้เจ้าคุณธรรมะใจดีทจนกระทเศษไปเรื่อยของท่านฮะแต่นี้พอหลวงตาหมหาบัวมานะ่ะ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 เดี๋ยวจะพูดให้ฟังถ้าไม่ฟังเลยไม่ได้นะเราจะไม่พูดนะพูดครั้งหนึ่งก็ยังมีอย่างเก่าพูดครั้งสองอย่างเก่ามันทําไมไม่ฟังไม่อยากจะฟังเลยไม่อยากจะฟังเอาตำตะบันหมากต่อไปคุยกันต่อไปเดี๋ยวเราจะลงจากธรรมะเนยหลวงตาก็เลยลงจากธรรมะเข้าไปกราบเจ้าคุณธรรมแล้วก็เปิดแหนบเลเจ้าคุณธรรมบอกว่าข้าห่างว่าแล้ว เราเตือนแล้วมันไม่ฟังนเนี่แหอาจารย์มหาบัวเป็นอย่างนี้แหละสู้เจ้าจงฟังไว้จําไว้นะบัด น, นี้นะนี่แหละหลวงตาก็เคยทํามาแล้วต่อหน้าพระอุปัชฌาย์ต่างหากเพราะฉะนั้นคําว่าทำคํานี้แหละคือความถูกต้องคือความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนเนยะต้องยืนจุดจุดนั้นจะไปเกลียนใจใครให้นั้นหลวงพ่อเองนะานอาจารย์พูเออปีน้องนะเนี่ยอ่อนๆนะ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 รนะสรุปแล้วให้พวกเรานะลูกสิทธิ์หลวงพ่ออินนะไปที่ไหนให้รู้จักกาลเทศะการสถานที่บุคคลไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็พรามไปเรื่อยทํำท่าอวดขี้ฟันไปเรื่อยอดขี้เธอไปเรื่อยอดความโง่ไปเลยตัวเองอวดฉลาดนั่นแหละอว่าฉลาดมันไม่ใช่อวดฉลาดอวดความอวดความโง่ของตนเองเพราะฉนั้นอย่ามีนะไปนัสถานที่ใดให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้าเป็นหมาก็ให้งับหางไว้ ก, ก่อนถ้ามีจังหวะตึงจะยกหางยังค่อยยกใช่ไหมถ้าหญิงเขี้ยวก็หญิงเขี้ยวใช่ไหมปูปับไปหาหญิงเขี่ยวมูเขาลุมกันตายตา ย, ตายต่างหากแผลเ ห, หวอะบะไปหมดใช่ไหมแล้วก็มาบ่นให้หลวงพ่ออินฟังถึงโอ้หลวงพ่ออินคนอย่างนั้นปีงี้ปีงี้ตัวเองห่างโง่หลวงพ่อก็จะว่ายอย่างนั้นอีกเถอะเนี่ยวันนั้นพวกเรานะ่ะฟังฟังเอาไว้หลวงพ่อเนะีสอนเน้นแนว แนวความคิดมากหลากหลายแต่มีทั้งเปรียบเทียบให้ฟังด้วยในครั้งพุทธกาลดยในครั้งนี้ด้วยเราลองไปนะัดสถานที่ใดเราต้องรู้จักการสถานที่บุคคลอัตอตันยุตาอัตตัญญุตาปริสันยุตาปุคระงปรูปรันยุตาเนี่ยพวกเราต้องศึกษาให้รู้จักตนให้รู้จักประมาณตนให้รู้จักชุมชน ให้รู้จักผู้ที่มาเกี่ยวข้องการนีควรทมยังกาละเทศการสถานที่บุคคลควรอย่าทำอย่างไรในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวไว้ทั้งหมดนะตอนนี้งไปรับพรออนมโมทนาให้พร